เมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดสรุในคืนวันเพ็ญ15บ้า่เดือน6ก ม, มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือว่าระหว่างที่พระองค์เสวยพิมติสุข ที่ตายตนนิคโครธนะอชปา น, นิคโครธก็มีมาร์น่มาทูลให้พระพุทธองค์เนี่ยอัสดเดปรินิพานอนธรรมชาติของมานี่ก็ชอบขัดขวางการทำความดีหรือว่าการบรรลุธรรมมานี่ก็มารังควานพระพุทธเจ้าตั้งแต่ ก่อนที่จะตัดสรุขัดขวางไม่สำเร็จก็ยังพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้พระองค์เนี่ยได้เผยแผ่แสดงธรรมก็มาทูลมีมนให้พือเจ้าเสร็จปรินิพพานพระองค์ก็ปฏิเสธแล้วก็ บอกว่าพรงจะเสด็จประนิพนธ์ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขสี่ประการก็คือว่าเมื่อพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาได้ศึกษาธรรมเป็นพ่ะผู้สูงแกล้ากล้านในธรรม และนอกจากนั้นก็ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมประพฤติตามธรรมและประการต่อมาคือว่าสามารถจะอธิบายแจกแจงแสดงธรรมให้ผู้คนเข้าใจได้และสุดท้ายก็คือว่าเมื่อมีผู้โจมตีจ่วงจาบ ก็สามารถที่จะกล่าวแก้อธิบายรวมทั้งแม้จะมีผู้ที่มีความเห็นหักล้างคำสอนของพระองค์ก็สามารถที่จะชี้แจงได้ตราใ ด, ดที่พิสษุภพิสุจนีอุบาสกอุบาสิ ก, กา ยังไม่สามารถจะยังไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้พระองค์ก็จะยังไม่เสด็จไปนิพพานาทั้งสีประการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบมานี่สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นการ บ่งชี้เห็นว่าชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นบ้ประชิดหรือเพหัสเนี่ยควรมีหน้าที่อย่างไรควรประพฤติตนอย่างไรเลนะยเพระหน้าที่ที่มีต่อพระธรรมคําสอนหน้าที่ที่มีต่อศาสนามารเนี่ยนะก็ยอมนะยอมแพ้นะ เมื่อพระพระองค์ได้ตัดต่อไปอย่างนั้นจนกระทั่ง 45,000 ศ พ, พผ่านไปมารก็มาทูลนินม่อมให้พูทเจ้าเสด็จปรินิพนธ์แล้วก็อ้างว่าเนี่ยภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีตอนนี้ได้ มีคุณสมบัติสีประการแล้วพระพุทธเจ้าก็ก็เรียกว่าจํานวนต่อเหตุผลของมาร<ม>ก็เลยปร o งอายุสังขารอันนี้เราก็คงพอทราบดีนะว่า p ร o l ง n g สงปร o l อ, อายุสังขารสามเดือนก่อนที่จะเสร็จประนิพพานตามเรื่องก็เพราะว่ามีมารมา มาทวงสัญญานะพระองค์ก็เห็นว่ า, าศาสนาก็มั่นคงแล้วอุบาสกอุบาสิการวมทั้งพิสุพิษุณีก็เรียกว่าได้ศึกษาปฏิบัติธรรมมีความสามารถในการแสดงธรรมแล้วก็สามารถที่จะกล่าวแก้ผู้ที่จ่วงจากโจมตี มาพระธรรมได้ก็เลยยอมที่จะปรุงอายุสังขารอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่พึงพิจรารณามากนะสำหรับพวกเราซึ่งถือว่าเป็นชาวพุทธอันที่พระองค์ตรัสตอบมาเนี่ยก็แสงีงถึง ความคาดหวังที่พระเจ้าทรงมีต่อชาวพุทธทั้งมวลทั้งบรรดเชลคือเรืหนึ่งก็คือว่าเมื่อเป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องเป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาธรรมท่านใช้คำว่าพระหูโสดทีเดียวยพระหูโสดคือผู้ที่รู้มากรู้มากในเรื่องธรรมะรู้รอบศึกษาธรรม จนเข้าใจเข้าใจเสร็จแล้วก็ปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติให้ถูกต้องปฏิบัติด้วยความตั้งใจจนเห็นผลศึกษาให้เข้าใจและปฏิบัติจนเห็นผลจึงจะเห็นผลได้ก็เพราะทำอย่างถูกต้องอันนี้เห็นผลแล้วนะเกิด<อ><ย>ผลประจักษ์แก่ตัวเองแล้ว ความทุกข์บรรทาบาบางหรือว่าเป็นอิสระจากความทุกข์แล้วก็ยังไม่พอนะต้องเผยแร่แสดงแจกแจงธรรมะให้กับผู้นเข้าใจได้ด้วยแล้วถ้าใครมาโจนตีช่วงจากก็สามารถที่จะชี้แจงรัที่ที่โจนตีช่วงจากนี้นใช้ควาว่าปรปาทะ ซึ่งรวมถึงการความคิดความเชื่อที่หักล้างสวนทางกับคำสอนของพูุทธเจ้าเพือที่ทำให้คนเกิดสัมมากเกิดมิจฉาทิฏฐิเช่นบอกว่านิพพานไม่มีบุญกุศลไม่มีบาปบุญไม่มีอันนี้ก็ถือเป็นป ร, รัปปาวาทะอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องชี้แจงไม่ได้หมายถึงเฉพาะการโจมตีจ้วงจาา เท่านั้นไอ้สองส่วนหลังเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งนะของชาวพุทธในทั้ง4ประการที่จะแยกออกมาก็าจะจัดกลุ่มก็มีก็คือทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านหน้าที่ของชาวพุทธในเรื่องของประโยชน์ตนก็คือว่าศึกษาธรรมให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เห็นผล ปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมจนเกิดผลขึ้นแก่ตัวเองอันนี้เรียกว่าพ อ, อประโยชน์ตนเกิดขึ้นแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือการบาเพ็ญประโยชน์ท่านก็คือแสดงธรมรมเผยแผ่ธรรมไม่ใช่พระก็สามารถจะทำได้เป็นคารวะก็ทำตั้งแต่ กับลูกกับหลานลกับคนใกล้ตัวหรือถ้ามีความสามารถก็เผยแผ่ให้มันกว้างออกไปจะเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ตามและถ้ามีการกลับช่วงจับโจมตีก็ชี้แจงอธิบายไม่ต้องไปต่อร้อต่อเทียงกับเขาไม่ต้องไปโจมตีด่าว่าเขาแค่ชี้แจง อธิบายเะนั้นเองไม่ต้องถึงกับไปประท้วงไปต่อว่าด่าทออันนั้นไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธแล้วก็พระ เ, เจ้าก็ไม่เคยทำพวกพราหมณ์พวกนิครนพวกเตราถีโจมตีสายรายพระ เ, เจ้าพระองค์ก็ไม่เคยตอบโต้ด้วยความโกรธ ด้วยความไม่พอใจบางครั้งก็นิ่งเงียบบางครั้งก็อธิบายอันไหนที่อธิบายแล้วเขาไม่ฟังแทนก็ง เ, เงียบไปก่อนเพื่อให้ความจริงมันปรากฏอย่างผู้ที่ใส่ร้ายผู้ตุลาว่าทําให้ผู้หญิงท้องหรือว่าไปฆ่าผู้หญิงตายพระองค์ก็ไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องอธิบายพอพูดไปเขาก็ไม่ฟัง รองค์ก็นิ่งเงียบแต่ก็ไม่หนีไม่ไปจนกระทั่งความจริงก็ปรากฏในเวลาต่อมาว่าพระองค์ถูกใส่ลายแต่ถ้าเป็นการเอาความเห็นแย้งที่จ่วงจากหรือว่าก่อให้เกิดพิจาริ์ทิฐิขึ้นมาพระองค์ก็อธิบายนั่นก็เป็นแบบอย่างของพวกเราชาวพุทธในการรักษาปกป้องะพุทธศาสนา เราก็ปกป้องไม่ใช่ด้วยการไปต่อว่าด่าทอนะคนที่เห็นตา่างหรือแม้กระทั่งคนที่โจมตีช่วงจา่จาจ่าก็ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลนะไอ้ท่าทีที่ไม่โกรธท่าทีที่ประกอบไปด้วยเมตตามันก็เป็นการแสดงธรรมสื่อธรรมอย่างหนึ่งนะการแสดงธรรมมันไม่แสดงด้วยคําพูด นะด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นแต่มันแสดงด้วยอากัปกิริยาด้วยท่าทีนะไม่โกรธนะไม่ก้าวร้าวในเด๋ยนนี้ก็มีผู้คนลุ่มต่างๆมากมายที่แส่อสาการดูหมิ่นดูถูกจ่วงจากพระพุทธเจ้า หรือว่าพุทธศาสนาโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอันนี้มันเป็นธรรมดาโลกในยุคที่มีสสรีภาพมีความเป็นที่หลากหลายแต่ว่าเราก็ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ถ้าเราจะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างก็ไม่ใช่ทำด้วยความโกรธด้วยความก้าวร้าวจะด้วยการใช้เหตุใช้ผลจะด้วยความเมตตาใช้ปิยวาจา อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบนเพ็ญประโยชน์ท่านหน้าที่ของชาวพุทธที่มีต่อศาสนาที่มีต่อพระธรรมก็คืออันนี้ศึกษาให้เข้าใจปฏิบัติได้เห็นผลและชี้แจงให้ผู้คนได้เข้าใจอย่างถูกต้องถ้าบนเป็นแต่ประโยชน์ตนนะมันไม่พอนะต้องบำเพ็ญประโยชน์ท่านด้วย และที่จิมก็เกื้อกูลกันนะเมื่อเราบำเพ็ญประโยชน์ท่านมันก็เป็นการขัดเกลวาฝึกฝนตนลดละความเียียตัวไปด้วยรวมทั้งฝึกความอดทนด้วยเวลาต้องเจอกับอุปรสรรคเจอกับปัญหาเจอกับถ้อยคำที่ก้าวราวของผู้คนไอ้ที่พูดมาให้สังเกตนะว่า เรื่องการทำบุญเรื่องการสร้างวัดสร้างวานี้นะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่หลักนะของชาวพุทธตามที่พระเจ้าได้จัดมานะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญก็สําคัญนะญนะเรื่องวัดวาอารามเรื่องศาสนาสถานศาสนาวัตถุแต่สิ่งสําคัญกว่าหรือสิ่งสําคัญเป็นเบื้องแรกเลย ก็คือการทําให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจเราและทําให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจของผู้คนส่วนเรื่องวัตถุนั่นเป็นเรื่องตามมาบางคนก็หนักไปในเรื่องการทําบุญใส่บาตรก็คิดว่าเป็นการทําหน้าที่ของชาวพุทธแล้วนะ น, นั้นก็สําคัญอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังสําคัญรองลงมาจากการศึกษาธรรม จ้าชาวุหลายคนก็เรื่องการทำบุญก็ทำเต็มที่แต่ว่าไม่ค่อยคนวขวยเรื่องการศึกษาทำให้เข้าใจเวล า, าพระจะแสดงธรรมก็ไม่ฟังสมัยที่ตมาไปอยู่วัดอมรวดีประเทศอังกฤษสาวอาทิตย์นี้ก็จะมีคนไทยเนี่ยมาทำบุญถวายถวายเพนนะกันคับข้างเลย อธิวะมรดีตอนบ่ายก็จะมีการแสดงธรรมบางทีหลวงพ่อสุมเมโตก็แสดงธรรมเองเลยแต่ว่าปรากฏว่าพอถึงตอนบ่ายคนไทยก็ค่อยๆหายไปมาถวายเพลยอย่างเดียวแต่พอพระจะแสดงธรรมก็หายแล้วคงเหลือแต่พวกฝรั่งฝนะรั่งนี่ไม่ค่อยมาถวายเพลยเท่าไหร่นะจะเขาตั้งใจมาฟังธรรมมากเลย เวลามีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมก็มีแต่ฝรั่งมาส่วนอาหารไม่ขาดแคลนนะเพราะว่าคนไทยนะมาทำบุญเต็มที่อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจนะว่าหน้าที่หรือว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวพุทธนั้นคืออะไรแม่เข้าใจว่าเนี่ยเรื่องทาบุญเป็นเรื่องใหญ่า ก, การทำบุญนี่ก็สำคัญอยู่ ไม่ว่าทำบุญได้อาหารหรือด้วยวัตถุแต่ว่าการศึกษาธรรมให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เกิดผลตอนนี้สำคัญกว่านะที่จริงการทาบุญก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะเป็นการบำเพ็ญทานแต่ว่าต้องศึกษาให้เข้าใจถึงจะบาเพ็ญทานได้อย่างถูกต้อง อันถ้าไม่ศึกษาทำให้เข้าใจบางครั้งการทำบุญการให้ทานก็อาจจะทำอย่างผิดผิดได้ถ้ามีบางรายนะไปยืมเงินคนมาทำบุญเสร็จ แ, แล้วไม่ได้คืนเงินนะชักดาบเลยอย่างนี้เ ร, เรียกว่าเป็นการทำบุญ อยากจะทำบุญแต่ว่าไม่อยากใช้เงินของตัว้วก็เอาเงินของคนอื่นนั่นแหละมาทำบุญเมื่อเอาเงินคนมาทำบุญด้วยการกู้ยืมแล้วก็ควรจ่ายนะแต่ถ้าจงใจไม่จ่ายจงใจที่จ ะ, ะบาบเบี่ยงหรือชักดาบนี่ก็ถือว่าไม่ได้บุญนะบางทีได้บาปด้ซ้าเพราะว่ามันก็เข้าขายอธินาทานอย่างหนึง่ง คือเอาเงินเข้าไปแล้วไม่จ่ายไม่คืนส่วนอย่างนี้ไม่ต้องทําบุญดีกว่าหรือว่าทําบุญด้วยใจก็คืออนุโมทนาเ อ, อเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนก็ทําบุญเราไม่มีเงินนะเงินเราไม่พอแล้วก็อนุโมทนาก็ได้บุญนะเรียกว่าปัตานุโมทนาใหม่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาในความดีที่ผู้อื่นได้ทําแต่คนไทยไม่รู้จักบุญประเภทนี้นะอยากจะทําบุญ แต่ว่าเสียดายเงินของตัวหรือตัวไม่มีเงินก็ไปยืมเงินเข้ามาเสร็จแล้วไม่ยอมจ่ายอันนี้ไม่ได้บุญนะได้บาปแทนหรือไปเข้าใจว่าจะทําบุญได้บุญเยอะๆต้องทํามากๆนะทำมากๆถึงจะได้บุญเยอะๆอันนี้ก็ไม่ไม่ถูกนะเพราะว่าบุญนี่มันมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินหรือราคาเข้าของที่ถวาย อยู่ที่ใจใจที่เลื่อมใสใจที่ศรัทธาใจที่ปรารถนาดีรวมทั้งความหองใสเมื่อได้ทำบุญถวายทานด้วย้บางคนทำนะแม้จะเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่าจิตใจก็ไม่มีความเลื่อมใสเลือาจะเลื่อมใสมีศรัทธาจะทำไปแล้ว ก็พรว่าเงินที่ตัวเองถวายนั้นเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่คนอื่นถวาย mm hmm. จิตใจก็เศ้ามองรู้สึกว่าเราได้บุญน้อยกว่าเขาหรือว่าเขาได้บุญมากกว่าเราอพอจิตใจเศร้ามองปุ๊บนี่บุญนี่มันหล่นหายไปเยอะเลยเพราะว่าการทําบุญที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ที่ใจตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะทําบุญละก่อนที่จะทําจิตใจก็มีความเริ่มใสระหว่างที่ทําก็มี ทำด้วยจิตศรัทธาทำเสร็จก็ผ่องใสเบิกบานอันนี้เรียกว่าได้บุญเต็มที่เต็มเน็ตเต็มหน่วยแต่ถ้าจิตใจไม่ผ่องใสเพราะว่าคลางแคลงใจว่าเราได้บุญไหมบางคนเป็นเจ้าภาพถวายกระถินแต่เนื่องจากตัวเป็นผู้หญิงก็คิดว่าผู้ที่ถวายก็น่าจะเป็นสามี พอทำพิธีเสร็จก็สงสัยว่าตัวเองจะได้บุญไหมเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ถวายผ้าด้วยตัวเองแต่ให้สามีถวายแค่คิดนี่จิตใจก็เศร้าหมองแล้วพอเศร้าหมองนี้บุญก็ล่วนไหลไปพอสมควรแล้วในที่จริงถ้าเข้าใจศึกษาถ้าศึกษาทำเข้าใจก็จะพบว่าบุญมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การคิดแล้ว ตั้งแต่คที่จะถวายนะถึงแม้ไม่ได้ถวายด้วยตัวเองไม่ได้ถวายด้วยมือของตัวเองนะมันก็ได้บุญละและถ้าเขาศึกษาทำแล้วเข้าใจก็จะก็จะรู้ว่าการให้ทานนั่นก็เป็นเพียงแค่การบําเพ็ญธรรมขั้นต้นนะยังมีศีลยังมีภาวนาที่ต้องที่ควรกระทําด้วยการรักษาศีล นะแล้ว ก, การภาวนาให้เกิดสติสัมปชัญญะเจริญสติเพื่อให้รู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทำกิจการงานต่างๆลวนทั้งในไอเรีย บ, บทต่างๆอันนี้ก็เป็นการประพฤติทธรรมที่สำคัญมากการเจริญสติก็เป็นหัวใจของ กรรมาฐานแบบพุทธนะกรรมาฐานสมาธิภาวนานี่มันมีหลายแบบนะหลายหลายศาสนาศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮิดนดูศาสนาคริสต์ก็มีภาวนาแต่ว่าภาวนาแบบพุทธเนี่ยหัวใจก็คือสติปัฏฐานสีอันนี้เมื่อเราให้ทานแล้วเราก็ต้องอไม่ลืมการรักษาศีล เอาเงินคอยยืมเงินใครไปทําบุญแล้วก็ต้องคืนเขาและขณะเดียวกันก็รักษาศีลในการดําเนินชีวิตในการแม้จะเป็นพ่อค้าแม้จะเป็นแม่ค้าก็รักษาศีลห้าให้ได้ในครบถ้วนนี่ก็เป็นการทําหน้าที่ของชาวพุทธอย่างหนึ่งคือเป็นการรักษาธรรมให้เกิดขึ้นในใจ เมื่อรักษาศีลแล้วก็ไม่ลืมการภาวนาไม่ว่าจะเป็นเจริญเมตตาภาวนาเจริญมราณคสติภาวนาหรือว่าสติปัฏฐานสีก็รว่นสำคัญแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเนี่ยสติปัฏฐานสีเนี่ยมันเป็นวใจัยกรรมฐานที่เราไม่ควรมองข้ามอาชีวิต น, นี้ยังมีลมหายใจอยู่ แล้วก็ไม่ปล่อยเวลาผ่านไปโย่ใช้เวลาที่มีอยู่ในการเจริญสติไม่ว่าในระหว่างที่อยู่วัดหรือว่าอยู่นอกวัดในระหว่างทํากิจการงานต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สําคัญเช่นอาบน้ําถูฟันหรือว่าขับรถอันนี้ก็เราก็ไม่ลืมที่จะมีสติ นะรู้กายรู้ใจรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดที่ผุดขึ้นมาไอการที่เราเห็นอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมได้เหมือนกันนะอันทีเรามีสตินะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเวลาความโกรธเกิดขึนในใจเวลาความเจ็บความปวดเกิดขึ้นที่กายนะเราก็มีสติรู้ดูมัน เห็นมันอันนี้ก็ถ้ากเราเห็นธรรมที่เกิดขึ้นภายในคําว่าธรรมนี่นะมันมีความหมายกว้างทุกอย่างที่เราเห็นด้วยสติด้วยใจเมื่อมันเกิดขึ้นภายในนะก็เรียกว่าเห็นธรรมได้เพราะถ้าเราเห็นด้วยสตินะก็จะเห็นนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าอารมณ์ฝ่ายบวกหรืออารมณ์ฝ่ายลบมันไม่เคย จีหลังจั่งยืนเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับลมที่ผ่านเข้ามาในศาลาแล้วมันก็พัดเลยออกไปมันเข้าทางหนึ่งมันก็จะออกไปอีกทางหนึ่งนะอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเราก็เช่นเดียวกันที่จริงจะรับเป็นของเราก็ไม่ได้เพราะถ้ามีสติดูก็รู้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นสักแต่ว่า ธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุมตีปัจจยเมื่อรู้ว่าเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาลบทั้งหลายความคิดทั้งปวงเนี่ยแนละ้วก็เท่ากับว่าทำมันเราก็ได้เห็นธรรมการเห็นธรรมนี่เห็นทั้งเห็นจากภายในหรือก็เห็นภายนอกก็ได้นะเห็นธรรมภายในคือเห็นความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนิวรา์ทั้งหลายนะ แม้มันจะเป็นฝ่ายอุศสนก็เป็นธรรมะได้เหมือนกันนะความงงเงาหาหนอนความพยาบาทความฟุ้งซ่านพวกนี้ล้วนเป็นธรรมที่สามารถจะเปิดใจเราให้เห็นความจริงโดยเฉพาะในเรื่องใจรักอันนี้จังทุกขงังอนัตตาเห็นนอกถ้าเราเห็นเป็นนะเห็นยังมีสติอย่างมีปัญญาก็เห็นธรรมได้เหมือนกนนะอันธรรมที่เกิดขึ้นจากภายนอกก็สามารถปรากฏแก่เราได้ ภพภิกษุบางท่านในสายพุทธการท่านก็ บ, บรรลุธรรมจากการที่เห็นดอกบัวที่เคยแต่งตูมบานเสร็จ แ, แล้วก็ร่วงโรยท่านอานิจจังเนี่ยจากอาการของดอกบัวเป็นอ น, นิจจังจากใบไม้ที่มันปริดใบไม้แห้งที่มันปริดลงจากขั้วคนธรรมดาเห็นก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าถ้าคนที่มีปัญญาเห็นปุ๊บอนที่จริงทุกครั้งอนัตตาก็ปรากฏแก่ใจไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาธรรมดามันก็ต้องเหตุร้ายนะมันก็สามารถจะสอนทำแสดงทำให้กับเราได้พวกเราชาวผู้ก็ต้องฉลาดนะในการที่จะเห็นทำจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นกับเราไม่ว่าธรรมดา หรือไม่ธรรมดาไม่ว่าดีหรือร้ายโดยเพราะเวลาเกิดอะไรไลาๆขึ้นมานี่ยนะมันสอนทาได้อย่างดีเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็ทุกรประทมโกรธแค้นหรือว่าขาดทุนนะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแม่จะเสียทรัพย์นะเสียอย่างอื่นไปแต่ว่าก็ได้ธรรมะเป็นกาไร เมื่อปี54ก็มีน้ำท่วมใหญ่นะพวกเราก็ารู้ดีบางคนก็เจอด้วยตัวเองอผู้คนมากมายสูญเสียทรัพย์สินไปที่สินเนื้อประดาตัวก็ไม่น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ทำใจไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเครียดล้มป่วยก็เยอะที่ฆ่าตัวตายก็ไม่น้อยจ่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขา เขาบอกว่าไอ้น้ำท่วมนี้มันก็สอนทําให้กับเขานะเขาก็สูญเสียไปเยอะนะแต่เขาก็พบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันได้บอกกับเขาว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอย่างแท้จริงทรัพย์สมบัติที่มีก็เป็นเพียงแค่มาอยู่กับเราเพียงชัว่วคราวเท่านั้นไม่วันใดวันหนึ่งมันก็ไปจากเรา อันนี้น้ำท่วนี่มันสอนทําให้กับเขาเสียทรัพย์แต่ว่าได้ธรรมะซึ่งมีคุณค่ากว่าทรัพย์ที่เสียไปมากมาย้ทรัพย์สมบัตินั้นเนี่ยหาใหม่ได้แต่ว่าซื้อเอาก็ได้แต่ว่าธรรมะนี่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้มันต้องเกิดจากการที่เห็นนะด้วยสติด้วยปัญญาและถ้ารู้ได้ตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลย ต่อไปมีความสูญเสียมีความพัดพรากที่ยิ่งกว่านั้ น, นก็สามารถทําใจได้เพราะว่าวางใจถูกตั้งแต่ต้นแล้วก็คือว่าไม่ได้ไปยึดมัน่นถือมั่นไปกับมันเพราะถนัดถึงความไม่เที่ยมอันนี้ก็เราเห็นทำนะได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเดินอยู่ กำลังจูงหมานะตอนนั้นเป็นตอนเช้าอากาศกำลังดีเดินจูงหมาเล่นดูดีๆก็มีผู้หญิงคนนึ่งพุ่งเข้ามาชนข้างหลังผักเขาล้มลงแล้วก็เอามีดสปาตา้าจ้วงแทงเขาตามลำตัวตามแขนหน้าอก40แผลนะเสร็จแล้วก็ หนีไปปล่อยให้เขานมนอ น, นอนจมกองเลือดตอนที่เขาถูกชนนี่ก็นึกว่าเพื่อนแกล้งแล้วก็นึกไม่ถึงว่าจะถูกแทงเพราะว่าคนที่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่รู้จักแต่ว่าก็ห้าไม่ทันเดชบุญที่มีคนมาพบนะก็พาเขาไปส่งโรงพยาบาล เขาไมารู้ภายหลังว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยฆ่าคนมาแล้ว3คนในช่วงเวลาไม่ถึง2อาทิตย์อีก2คนปางตาย1ใน2นั่นคือตัวเ้านั่นแหละผู้หญิงคนนั้นฆ่าคนโดยที่ไม่ได้โกรธแค้นเป็นส่วนตัวแล้วก็ทำร้ายโดยที่ไม่ได้รู้จักด้วยว่าเป็นใครก็มีนักข่าวไปถามเขาว่า อย จ, จะบอกผู้หญิงคนนั้นอยากจะพูดอะลรกับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าแทนที่ก็จะโกรธแทนที่ก็จะโมโหนะเพยาบาทเพี ย, พยงใดเขากับบอกไปถามผู้หญิงว่าทําไมถึงทำกับผมอย่างนี้ทําไมคือเขางงหมดเลย ว, ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือที่เขาตอบ น, นักข่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาบ้างหรือเปล่า เขาบอก่ามันทำให้เขได้คิดเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เขได้คิดว่าวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเดินเล่นอยู่ดีๆก็อาจจะมีรถมาพุ่งชนทับตายก็ได้ชีวิตนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยอาจะสามารถจะตายวันนี้วันพุ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดจะต้องทําสิ่งที่ดีที่สุด ในวันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาได้ได้เรียนรู้นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลาคนส่วนใหญ่เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะถ้าไม่โกรธคนที่มาทำร้ายตัวเองก็จะต่อว่าชะตากรรมมาทำไมถึงเป็นฉันฉันทำอะไรหรือ ถึงต้องมาเจอเรื่องซวยๆแบบนี้นะคนจะโวนม า, มากนี่จะตัดพพอแล้วก็ทุกระทมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขากลับได้แง่ายคิดนะจากเหตุไลน์ก็คือมันสอนให้เขาเนี่ยไม่ประมาทกับชีวิตมันสอนเขาว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยคือวันที่ดีที่วันที่ ควรทำสิ่งที่ดีที่สุดเพราะปุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้อันนี้ก็ถือว่าขอได้เห็นธรรมนะเห็นธรรมจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าได้กําไรถึงแม้จะเจ็บตัวถึงแม้ต้องนอนป่วยโรงพยาบาลแต่มาทําให้เขาเห็นถึงความสําคัญของการไม่ประมาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่ครูจาย์ได้ฝากเอาไว้เป็นปาชิมโอวาดก่อนที่จะเสร็จปริิธาน ท่ทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอทำไมถึงต้องไม่ประมาทก็เพราะว่าสังขารมันไม่เที่ยงไงเพราะว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ไม่ต้อง่วงว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้มีวันนี้ก็จะมีวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีวันบรลลืนนี้แล้วก็จะมีต่อๆไปแต่เพราะสังขารไม่เที่ยง ก็จึงประมาณไม่ได้วางใจไม่ได้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือแม้แต่จะมีเช้านี้จะมีบ่ายนี้ด้วยซ้ํำอันนี้ก็เป็นธรรมนะนะเพื่ออับประมาณทธรรมเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ผู้ชายคนนี้ได้สตินะว่าจะต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดคําว่าสติกับความไม่ประมาณนี้ก็ที่จริงก็อันเดียวกันนะ ความไม่ประมาณ ก, ก็ทำให้เราไม่ลหลงไหลเพลิดเพลินในความสุขที่มีหรือทำให้เราไม่เพลิดเพลินในในการงานที่หมกมุ่นตัวลืมตัวก็ทำให้เรามีสติขึ้นมาแล้วถ้าเรามีสติโดยเพราะเช่นการมี การมีมรณาสติหรือการเจริญมรณาสติอยู่เสมอก็ทำให้เราเกิดความไม่ประมาทและ เ, เล่งคนวนไควในการทําความดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างของคนที่เขาสามารถจะเห็นทำจากภายนอกถ้าเราจากเห็นในเป็นเห็นนอกเป็นเนี่ยก็สามารถจะเห็นทำได้ตั้งจากความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความเจ็บความปวด หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจกับรือกายและเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะก็สามารถจะเห็นธรรมจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางคนต้องสูญเสียหนักๆนะต้องสูญเสียคนรักสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่นะถึงจะเห็นธรรมแต่ก็ยังถือว่าคุ้ม เพราะว่าไอการเห็นนั้นสำคัญมากอย่างนางกีสากคตรมีนางปจัจจราก็สูญเสียสำคัญมากสูญเสียคนรักสูญเสียลูกนะนางปจัจจาราสูญเสียลูกไม่พอสูญเสียพ่อแม่สูญเสียสามีจนแทบจะเป็นบ้าทั้งคู่แต่ว่าในสุก็เห็นทำจากสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์เหลือกเกินน้าตาที่ไหลาจากน้าตาที่เกิดจากความทุกข์ความสูญเสียชาติแล้วชาติเล่ารวมกันแล้วนี่มันพอๆกับมหาสมุทิทีเดียวพอเห็นเช่นนี้ก็เห็นโทษภัยของสังขารก็ทําให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติ กรทั่งบรรลุธรรมเป็นป้ารันทั้ง2ท่านทั้งนางกีสากรตมีแล้วก็นางปตจราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในการเห็นธรรมจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นดีไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมนะก็ปปฏิบัติธรรมจากชีวิตจริงนั่นแหละ หรืปฏิบัติธรรมจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมจากการาใช้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเราต้องฉลาดในการที่จะเห็นธรรมหรือปฏิบัติธรรมจากทุกขณะที่ทํากิจทุกอิริยาบถ ท, ที่มีอยู่แล้วก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อปฏิบัติธรรม ยางถูกต้องก็จะได้ผลเกิดเป็นความสงบเกิดเป็นความสว่างแล้วเราก็จะสามารถที่จะเผยแผ่ทำให้ผู้คนได้พบ ก, กับความสงบและความสว่างได้อันนี้แหละเป็นการอุปถัมภ์นะรักษาพระศาสนาที่ดีที่สุดไม่ใช่การสร้างวัดไม่ใช่การสร้างพระ อันนั้นสำคัญอยู่นะแต่ว่าถ้าหาผู้คนเราแต่สร้างวัดสร้างพระแต่ว่าตนไม่ได้ศึกษาทําให้ปฏิบัติธรรมและทำบ้านที่จะสืบทอดไปได้อย่างไรสามารถไม่สามารถจะสืบทอดไปได้ด้วยปิดด้วยปูนแต่เราสืบทอดด้วยใจและด้วยชีวิตของแต่ละคนอรช่า น, นี้ก็พูดกันเท่านี้